น่าบ<ม>่อยไนะล่ะที่นี่นานแล้วโอ้โหงไทยอยู่กรุงเทพกรุงเทพทั้งหมดอยู่อยุธยากรุงเทอยุธยากรุงเทพต้องปูกปบ่อยอยุจอยุอยุธย า, า, านานๆไปที แต่กราชก็ไปบ่อยมีวัดอยู่นั่นหลังโรงพยาบาลปากช่องนานๆโทรศา่ายสายยันชื่อนานแล้วโอ้ข่าวข่าวมีทองฝังหลุมดิมิตพระมาเยอะไม่ได้ยินข่าวโอย้ยเมืองไทยอยูอ่เมืองไทยโนอะ้เยอะเมืองไทยเนาะ ทำพิธีกรรมก็าลังสอบแชมอะไรอะไรยังไม่เสร็จก็ปเป็นอุปโภสถเมื่อวานนี้พระธรรมทูตก็มาเยี่ยมมาชมมายกจอปอปัน้น <c oughs> <c oughs> ยิ่งไม่ชาบยกจอปอปั้นปกติสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบพัญษาเราก็ต้องเจ้าฟ้าเจ้าคุณเพราะว่าเป็นยังไม่เป็นอะไร อายุมันก็อายุมากๆปกติในกรุงเทพต้องแต่เจ้าฟ้ า, เ จ, า, ฟาเจ้าคุณได้สมเด็จแล้วนีน่ก็ยังเป็นพระธรรมดาอ๋อเป็นพระธรรมดาที่แล้วจะิตใจใสจิตใจไม่ชอบเป็นใหญ่เป็นโตมันยุ่งแต่ชอบเล็กๆนี่ก็ยังยุ่งอยู่นะคิดว่าจะพระง่ายดิยิ่งนานไปยิ่งง่ายคิดว่ายิ่งเท่ายิ่งแก่ยิ่งยุ่งแต่ก่อนนั่งอยู่ปลายแถวมัน ไล่ไปไล่ไปไล่ไปไล่ไปไล่ไปไล่ไปแปว่าอีกไม่นานจะถึงพระประธานบ้าแล้วนั่งติดพระประธานแล้วก็แย่แต่ว่ามันอ๋อเพิ่งมาเจอนะยิ่งหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ศรีู่ม่านองนุ่นถูกไหนั่นไม่ได้เอารูปมาไว้ใหญ่ๆนีบริษัทบริวารเกือบสองร้อยสาขาทีนี้หลวงปู่มาราพักรทิ้งไว้ หลวงพ่อเลยยุ่งไปยุ่งก็ไปได้เพราะหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่หน้าที่รองหลวงปู่แล้วก็ต้องได้ดูได้แล่ไยทิ้งไม่ได้ษ ป, ประสิทธวานมืองไทยว่าอะไรแมวไม่อยู่หนูขนองหึืออย่างพ่อแม่เราเสียชีวิตนี่นยลูกเต้าก็ชอบทะเลาะกัน น, ะ, นะแับแมวไม่อยู่หนูขนองพ่อแม่ไม่อยู่ลูกก็เหมือนกันแ่ะสีไม่ดี บีบดีบางแห่งท่านมรดกมากมากก็ริงนี่ก็เหมือนกันนะมรดกหลวงปู่เอไว้เกือบจะพันล้านแล้วในหลวงปู่จุ้งแต่หลวงปู่ไม่ยุ่งทะเลาะกันแล้วพะบางคนเอามาแบ่งกันเอามาแบ่งกันที่ที่หลวงปู่ทำมินายกรรมไว้เค<อ>ยพูดกับหลวงพ่อสมัยหลวงพ่อไปจับเส้นอยู่ <c oughs> มีพระรูปหนึ่งว่หาห้นมาแบ่งกันเสียครูบาอาจารย์ วัดนนท์เอามาวัดละแสนสองแสนสมัยก่อนนะวัดต่างๆเอามารวมกันเป็นธรรมนูญนิธิเพื่อประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาถวายข้าตถิ น, นหลวงปู่ได้เอาไม่เอาไปใชัยไดเอาฝากนะต้นถี่นทักธรรนนิธิทักถินต้นนะปัตต น, นเอามาวัดนนเอามาวัดเนี่ยมาวัดไหนที่มีแม่คีก็เอ า, ม, ามีเดี๋ยวนี้หนังสือธรรมบทฝากก็ยังมีเยอะแยะอยู่หลวงปู่สั่งบอกว่า หลวงพ่อบุญสีคุณบุญสีนะมาเหตุใดทำให้หมูแตกแกกกันจะเอาไปแกะกันยังไงแสนสองแสนจะพอใช่อะไรตรงไหนมันครบพันล้านจะก่อนจงค่อยเอาดอกผลไปแกะวัดไหนมีคนจะเป็นที่จะทั่งนะถ้าพันล้านดอกผลปีหนึ่งก็ได้หลายล้า น, นแล้วเมื่อวานเมื่อกี้นี้เขบอกว่าในตประมาณสามสิบล้าน ป, ป, ปีนี้ขึ้นมาหน่อยต้องหาวิธี ไปสี่กวาล้เทียงหนึ่ง <c oughs> ยังขาดอยู่ประมาณร้อยกว่าล้านจะถึงพันล้านถ้าวัด น, น, นั่วัดนี้เอามาช่วยกันให้ถึงพันล้านค่อยเอาดอกผลไปค่อยลุงพ่อก็ไม่ว่านี่นี่ลุงปู่ใหญ่ไม่อยู่ลุงพ่อไปเถียงเอาก็ไม่ได้ขอเถิดกระตินปีนี่ขอไปข้อมูลนิธิหน่อยแังไงยังมื่นส อ, องมื่นกี <c oughs> ห่หาดแต่ไปลุงปูป่พูดแต่แพ๊เดียวได้เลยได้เลย พระเจ้าพระจ่าหลวงปู่สักศิษย์พูดอะไรก็ได้อย่างั้นแต่หลวงพ่อพูดก็าคำสิบคําก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ยิน พ, พระเจ้าประสงค์ไม่ได้ยินพระเล็กพระน้อยไม่มีอภินิหารไม่มีสติปัญญาไม่เก็บคมพูดเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อแต่ถ้าโยมพูดแป๊เดียวเชื่อพระพูดหลวงพ่อพูดเท่าไหร่ไม่ได้ยินถ้าออกไปเรา หลวงพ่อหลวงปีหลวงปีบ่มีคนทางานให้หลวงพีหลวงพีบ่มีใครมีบางหรวงสีรุงแรมให้ไปใจหรือหลวงพ่อใจนั่นเห็นไหมล่ะโยมเมื่อออกพูดครั้งเดียวไปใจหลวงพ่อพูดตลอดภรษาไม่ได้ยินมันเป็นอย่างนี้แหละจึงหาพระยากอย่นี้ลงวานี่พระแล้วธรรมทูตก็มาแยแยศึกษาทำยังไงจะได้กูร์าทธรรมทูตที่นี่ใช่ไหมะ เออในพื้นเมงนี่แหละมาหลายวัดมลายวัน oh, <okay. S 1> วัดต่างๆวัดพระธรรมกายอะไรเดีย๋ยวขาพระธรรมกายรอนๆวัดอะไรก็อะไรก็มารวมกันไม่ว่าปูขัดคล้องอะไรให้เรียกร้องก็ขัดคล้องเรื่องพระมาจำพรรษาทำยังไงจึงจะมาสะดวกก็เลยบอกค่อยเป็นค่อยไปพวกผมก็เหมือนกันต่อทุกๆปีสองปีแต่นานเข้านานเข้าก็ได้ฟังกันก็ต้องทําทํานองนั่นะค่อยส่งมาค่อยส่งมา ที่นี่ส่วนมากเราก็พระในวัดเดินไปค่อยเข้าออเที่ยวกันองหนึ่งจะทํางานองหนึ่งมาให้ทํางานองหนึ่งเดีย๋ยวไปเอาคนเดียวทํามันไม่ได้ต้องทําฝึกว่าแดหลายคนคนนั้นก็ทําเป็นคนนี้งก็ทําเป็นเี่เราคนนั้นไม่อยู่เดี๋ยวองนั้นไม่อยู่ก็อกว่าองนี้ไม่อยู่ก็ว่าองนี้ก็อยู่แล้วคนนั้นก็อยู่แล้วก็ทนันแทนกันได้มีความรู้ความสามารถพอพิมได้พออะไรก็ขอได้ จะอยจะลูกเดียวรูปเดียวั้าหมดไปแล้วก็ทําไงล่ะมันไม่ทันเวลาอืมโดยเฉพาะปีนี้ผมปู่ไปรัพนิ ม, มนต์บ่อยแทบทุกวันทุกวันในตตานไปบอกโยมที่บุญเศร้านไปแปะให้พร้อมนะให้สามีมา ด, ด้วยสามีไม่จะเข้าวัดก็ไปบ้านก็ได้ก็ได้บอกนะพระไปให้ไม่ใช่พระไปเอาให้อะไรมีอานิสงส์ให้ทําเป็นทาน มีอดีศงยิ่งกว่าให้สิ่งทั้งปวงไม่ใช่ให้ทําเหมือนเข้าต้มขนมเนี่นะให้ทําให้ลงมือทำท่าทางโลกให้ลงมือทํางานถ้าทํางานก็ผลได้รับก็มีถ้าไม่ทํางานได้อะไรจึงให้ทําบุญถ้าพูดเจ้าวๆไปนี่จะเข้าใจที่นี่คนก็พูดง่ายๆแต่ว่าให้ทําเป็นทานมีอดีสง์ยิ่งกว่าให้สิ่งทั้งปวงเลยไม่เข้าใจว่าให้ทําอะไร ไปแปรไม่รเขาลองให้ทําทำทำบุญทําบุญให้ทําบุญบุญเป็นยังไงบุญความสุขมันอยู่ที่ใจไม่ใช่ความสุขอยู่ที่กายสังขานร่างกายไม่เที่ยงมือเช่ากระําแล้วแต่เขาคงเก็บเข้าใจอยู่สั้งขันร่างกายไม่ใช่ของเราของคุณพ่อคุณแม่เกิดเน่าแก่เก็บตายหาเลี้ยงเท่าไหรวันหนึ่งเสียเงินเพาะกันเลี้ยงฮะเงินมาแต่งวันหนึ่งเท่าไร่เสียเงินเพาะร่างกายก้อนขอนบุญก้อนเน่า กระสวดได้ว่าไงหังขาดมังกยเต็มไปด้วยของไม่สะอาดี่ยคำพูดอย่างหนึ่งทําไปอย่างหนึ่งมันก็ไม่ถูกต้องนีอพูดคำใดก็ทํางทำจากคำนั้นสิคําว่าไม่สะอาดก็ไม่สะอาดจริงของของพระเจ้าเห็นจริงรู้จริงพ่นทอพ่นโรคได้จริงคําสอนของพระเจ้าเพื่อให้คนปฏิบัติทำตามคําสอนของพระเจ้าเพื่อไม่ให้มาเกิดนะถ้าไม่มีเกิดแก่เจ็บตายก็ไม่มีที่โรงพยาบาลที่ไหน นกไปเถอะโรงบ้านเมืองนอกเมือ ง, งหน้าเมืองไรก็ไปเถอะถึงหายแล้วยังอยู่คือตายตายแล้วดีไม่ดีพบหน้าจะหน้าเกิอดอีกเกิดถ้าเป็นคนเหมือนเดิมใครยังชั่วแต่เมื่อคนพิคนพิการบ้าใบ้บอดนกักเสืยียใจผิดมนุษย์มีเยอะแยะใครอยากจะเป็นหรอ ไ, หไปถามคนขอทานดูเขาอยากเป็นไหมจะถามคนฝาแฝดขาติดกันแค้นติดกันหลังติดกันอะไรติดกันรังแแหง ใจพ้องกันนะศีรษะจิตกันเดินไปพอกล้างหน้ำาำพวกความทานอาหารไปพ้องกันนเขาไม่อยากเป็นคำมโนวันะวนตถิโลกโอสนโรกเป็นไปตามคำใจทุกดวงอยากเกิดมาเป็นมนุษย์อยากพกพุทธศาสนาอยากปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้าใจเป็นตัวของเรานะร่างกายของคุณพ่อคุณแม่นะสังขารร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วแก่เก็บตายใจไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายอาหารใจไม่ได้ซื้อทําไมไม่เลี่ยงบ้าง เมื่อกี้พากันทำอยู่มั้งอาหารใจนั่นให้อาหารใจคือการทำบุญอาหารใจคืออรารมณ์นั่นแหละถ้าเห็นอรมก็เห็นใจและใครเห็นบุญเห็นไหมเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันเป็นหนังเกิดกิเลสอยากสวยอยากงามอยากร่ําากรวยใจของคนนั้นไปอยู่กับสําสวยงามกับร่ํารวยอยู่ในนรกถ้าเอาธรรมะมาแปลนะโลกนี้คือหมูสัตว์ข้องอยู่เป็นนิจ โลกนี่คือนรกน่นโลกโลกยะสุขเห็นไหมละ่ะมันไม่แน่นอนโลกกยะไม่ใช่โลกุตรละสุขโลกกยะสุขมันใช่ไม่ได้ในความสุขของโลกฉันอยากรวยจยากสวยงามบินนั่งกันเท่าไหร่ดูสิหาอะไรฉันอยากร่ํำรวยฉันอยากได้ร่ำรวยมาทําอะไรมาสวยงามเครื่องประดับประดาเครื่องเล่นอีกต่างหากนะ ทีวีโทรศัพท์อะไรต่ออะไรเรื่องเครื่องเล่นทุกวันนี่เครื่องดิจสีปีเตา่าลูกล้ทำทําเพลงโอ้ยไม่รู้อะไรแต่พวกเขาไปเล่นเขาเขาไม่เข้าใจนะเพราะเขาสนุกอย่างรล้ำรวยอย่างนี้เขาก็สนุกกับร่ํารวยล่ะแต่ไม่คิดว่าเอาไปได้ด้วยไหมไม่ได้พ่อแม่ปู่ย่าตา ย, ายายไปแล้วผมเส้นหนึ่งก็อเอาไปด้วยไม่ได้เผาจร้งหมดเขาไปให้ใส่บาตให้เวลาไปเจ็บปุกไปขอมาอีก ใช่ไหมยายยายมื่อว่านใส่ปากให้เอาไปใสขอขึ้นไปเห็ดขวัถุงนะเว <c oughs> ลาหาแทบล้มแทบตาย <c oughs> อยากให้ทําบุญอยากให้เข้าใจเรื่องบุญไม่ไปวัดไปอะไรก็ไม่ไมเป็นไรไม่เข้าวัดก็ไม่เป็ไรถ้าเข้าแล้วต้องทําบุญถ้าไม่ทําบุญเป็นบาปเพราะโกหกตนเองโกหกคนอื่นด้วย เพื่อนไปอะไรไปวัดไปทําบุญไปวัดทําบุญผลของไม่พระยุ่งเห็นไหมหล่ะอยู่ตามถาดยิงเยอะทําไมพระยุ่งทําให้พระเกิดเกลียดก็ว่าได้พุทธบริษัทสี่ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาภิกษุสามเณรอุบาสกบาจิกาอุบาส ก, กคือผู้ชายอุบาจิกาคือผู้ชิช่วยพระสงฆ์ถาดเกลียดช่วยพระสงฆ์รักษาพระศาสนา ไม่ใช่มาสวยพระสงฆ์ให้เกิดกิเลสตามจับพระสึกเพราะอะไรเพราะเอาปัจจัยสบายพระเยอะยิ่งโดยเฉพาะ ย, ายิ่งคือปัจจัยสิ่งของก็ ย, ยังทั่วสิ่งของก็เป็นพิษเป็นภัยเหมือนกันบางแห่งเอาของสังกทานมาให้เจ้าโยมนะโยมมางกรชาเอาของที่วัดก็ได้สังกทานที่วัดเยอะอาจจะเจอในวัดในเมืองไทยนะพระตะบงกีวรดีไม่ดีก็มีพระปฏิมากร วงจีวอนเข็นใส่ล้อออกมาเข็นเอามาซักบางะกุลเอาไกลเท่าไรโยมเอากองเท่าไรกองบงงะกุลกองละร้อไร่อุปเล็กองละสองรอยองละห้าร้อยองละพันได้รูปใหญ่พระประธางรูปใหญ่แกไปแกมาผู้นางเฝ้าก็นั่งเฝ่าเมดเบือเท่าคําเลยค่านี่โยมไปผิดผิดเพี้ยนใช่ไหมภาษาอีสานเที่ยวตั้งเวิงทั้งหลายไม่ใช่คํา โน้ตั้ปัวบอกว่ามันสิสาทำทา่าเข้าใจไห ม, ไมนั่นเที่ยวทางเวิร์กรู้จักว่าวัดอยู่ที่นี่เราก็ไปโน่นไปโน่นไปโน่ น, ون, ไ, ปน ون, ไปหาเก็บดอกไม้หาถูกหาเตี้ยนหาตรวจน้าอยู่นู่นแต่คนที่มาทางตรงสิบนาทีถึงแล้วอีกพวกหนึ่งไปหาซื้อดอกไม้กันหาซื้อถูกเตี้ยนก่อนหาซื้อน้ําไปตรวจกอนเที่ยวทางเวิร์กนั่นนั่นเที่ยวทางเวิร์กเหลหลายมัตสิคําเที่ยวทางค้งเมื่อไหรจะถึง เขาตะวัวปากว่าพนติซ่าคำท่าปากกว่าเนี่ยเขาไปหาเ็บนั่นเจฟนี่ปอกกว่ามันกระชากเวลาที่อีกคนหนึ่งไปถึงไหนแล้วนั่นแหะคำสอนของพระเจ้าจึงไม่ให้เกี่ยวทำโค้งมาเมื่อวานนี่พระเอาของดอกไม้มาคนนี้หมือนหรือเขาบอกว่าเอากลับขึ้นวัดท้าด้วยนี่บุญชัยดอกไม้นี่ตะขันราคาจะเหลี่ยนบุญนี่ดอกไม้พระเจ้าสอนเนีเอาไปวัดไปกราบงาม จะกล่าวคมบูชาพอ่พอเพราะมีนาสกาเลนะตังคู้ทางธรรมบั ง, มมงสร้างขังอภิปูชยามะถ้าพูดเดียวอภิปูทยามิสังรวมวาจาสังรวมกายได้กล่าวสังรวมวาจาได้กล่าวคําแล้วสังรวมจิตใจทําให้ใจนี่งดูลมเข้าลมบอกแต่คนเฉลิมนาศไม่ทำํำง่ายเกินไปเลยไปคุยกันนู่นแต่ของมักไปคุยกันมาเจอกันโมู้อักมาคุยกันไม่ได้หรือหลวงปู่ ถ้าอยากคุยกันไปคุยข้างนอกไปคุยนอกวัดของในจะน้ำออกของนอกจะน้ำเข้าเข้าใจไหมเรื่องโลกิยะอย่าน้ำเข้าวัดวัดนะไม่ใช่บ้านนะวัดกายวัดวาจาวัดใจนั่นให้เข้าใจไหมวัดกายได้กับวัดวาจามีนาฏกาเดียวนะวัดใจให้ใจนิ่งสงบอยากวุ่นวายออกไปทางนอกวัดเป็นสถานที่สงบสุขสงบสุขอื่นยิ่งกลัวความสงบไม่มี วัคติภพผมบอ ก, กตัดเล็บตัดอะไรพระเจ้าประสองค์อยู่วิหารธรรมเครื่องอยู่ของใจบ้านช่องที่อยู่ของกายสูงลาเท่าไหร่ก็ไม่พอใจจากนี้เข้าใจเรื่องเขามอกไปวัดทำบุญไม่มีอะไรมากทำบุญก็ไปนั่งดูลงหายใจเข้าออกแล้วประจันจะทําอะไรก็ออกไปนอกวัดจะคุยกันจากไรไปช่วยประสงรักษาเรษศาสนา พระสงรักษาศาสนาโยมไปวุ่นวายนั่นคนเราชอบยุ่งเรื่องจุ้งจุงเข้าไปวัดพูดทุกวันแต่ทั้งนี้จุ่งทุกวันนะหยุดมาหน่อยพระใเป็นเดียวเดียวก็มาทําปรามัดถวายพระหนี่งบอกว่าให้เป็นนั่งสมาธิก็ไปนั่งได้สองสามนาทีเดี๋ยวไปทําปรามัดถวายพระนั่นเรื่องเรื่องหนทางออกจิเลตดิไม่อยากเข้าสมาธิ พระพุทธเจ้าว่าไงทำที่เราจตถาคนได้แต่ตรู้ยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะทําได้จะรู้ได้ทั้งทั้งที่ดูลมนะนั่นแหะของเรื่องใจถ้าใจไม่มีลมใจกว่านหนีลแล้วจะเรี่องร่างกายเต็มไปหมดชอบยุ่งหมทำตั้งแต่ไหนก็ไม่พอบางคนทําแต่เมื่อวานยุ่งแต่ของร่างกายร่างกายให้อยู่ให้กินเท่าไรก็บูดก็เน่าก็แกก็เจ็บก็ตายแต่ใจไม่แก่ไม่เก็บไม่ตาย ถ้าตั้งจิตตั้งธรรมชาติใจทุกลังอยากเกิดมาเป็นมนุษย์จากภพศาสนาอยากปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายนะ่ะเจ้าคำในเวรเราเคยได้ยินไหมคุหลุงบลานพูดพูดว่าเจ้าคำในเวรคอยอยู่ที่ท้าสามแยกสองแง่หนึ่งทางไปนรกสองทางไปสวรรค์ไปถามอะไรคุณตาคุณยายตอนที่ตั้งใจว่าจะเป็น ทำบุญกุศลตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเคยทํำไหมเคยดูไหมเคยรู้ไหมเคยเห็นไหมเห็นอะไรเห็นบุญเห็นทางไปสวรรค์รู้จักไหมถ้าไม่เคยดูไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นอะไรตอบเขาย้าตมาจากเมืองไหนมาจากเมืองนรกไม่เคยเห็นทางไปสวรรค์มันมืดแล้วกับนั่นเจ้ากรรมนายเวรเขาไม่ให้ไปถ้าเราเคยดูเคยรู้ก็เห็นอันฉันดูทุกวันดูทุกวันเห็นทุกวันอยู่ทางไปสวรรค์ไปทางนี้ทางนี้เออเชิญไปเลย ทุกที่สุดคือหาที่เกิดเรามาด้วยบุญเราอยู่ได้บุญไหมถามใจของเราไม่ต้องไปถามคนนน่นคนนี้หรถ้ามาด้วยบุญอยู่ได้บุญกลับบ้านเก่าได้บุญปุญญาณิปนโลกัตมิ่งไปสู่พบหน้าชัดหน้าเพราะบุญพาไปบุญกรรมถ้าพูดสายคำก็ไปอีกมีบุญไม่กรรมก็กรรมดีกรรมชั่วนะก็คือความดีความชั่วหรือบาปหรือบุญหรือสวรรค์หรือนรกก็แยกเป็นสองอย่างสองอย่างทานศีลทานศีลบุญ หรืนี่ได้แต่ทานนะประเทศไทยนะงานเข้าภาษางานออกภาษางานบุญตนู้นนี่หลังไหลเข้าไปอาของไปทับถมไปพระยุ่ดีเป็นที่ญาติโยมก็แกลงกันดิเ <c oughs> ข้าน้ําโพชนาอาหารห่อสิ่งห่อของเยอะแๆบางคนบอกเอาเลี่ยงพระเจ้าเอาเรี่ยงออกคนญาติโยมนาเข้าน้าโพชนาอาหารจากก้นบาทแล้วเว <c oughs> ลาถานญาติโยมจะกลับบ้านแล้วลุงพ่อลุงพ่อกลับบ้านก่อนนะครับทานข้าวหรือยังไม่มีอาหารลุงพ่อ หลวงพ่อก็จะหมดดินไปได้จากอายุอ่อมบอกแล้วให้เลี่ยงกันเทก่อ น, น, นเห็นไหมของนอกของในจะนำออกเอาออกไปใส่บุญของของของเข้ามาตกถึงวัดเดียวยังไม่ทานเอาออกไปแล้วนั่นของนอกของในจะนำออกของนอกจะนำเข้ามาเรื่องรักเรื่องโลภเรื่องโกรธเรื่องหลงและขะตัญหาจะเอาเข้ามาในวัดน่นถึงเข้ามาก็ปิดไรมีอยู่ แต่ปิดไรจะเอามาเปิดเผยเรื่องนั่นของเรื่องโลกโลกถ้าพูดได้น allora ะอะไรเราเรื่องโลกที่รู้จักไหมเรื่องโลกกับเรื่องธรรมธรรมะเราได้เป็นไปเพื่อความพุ่นวายนั่นธรรมะเราได้เป็นไปเพื่อความรักเพื่อความชอบนั่นไม่ใช่ทําคําสั่งสอนของผู้เจ้าธรรมะเราได้เป็นไปเพื่อความสงบนั่นเป็นธรรมคาสั่งสอนของเจ้าเอาความสงบเข้ามาอย่ามากวนพระให้พระยุ่งตัน ถ้าจะมาทำบุญทำบุญที่ถ้ามาเล่นมาหย อ, อกกันมาควนกันถึงประเทศไทยห้ามแล้วห้ามนุ่งน้อยห่มน้อยเข้าวัดทุกวันแต่งตัวไม่สุภาพกับว่านะมันอุจาจาระตาหน้าสลดทางเวทนะประเทศไทยว่าพระกี่รูปประเทศไทยวัดกี่วัดประเทศไทยไม่สอนโยมไม่จุมทำบุญมิตรสอนโยกหยอกปอปันเอาหยอกทำทานโยมาอะไรสวายตั้งกระทานเจ้าข้าเออเชิญจุกทูปจุกเทียนเชิญสวายตั้งกทานเชิญโยมตรวจน้า เวลาทำบาปก็เห็นตวนัวน้าทําไม่ได้บาปก็พระไม่เคยเห็นบุญก็นที่บอกแค่นั้นสิเดี๋ยวก็หาว่าหลวงพ่อตําหนิพระ อ, อีกละผู้ตั้มหลักเหตุผลของพระเจ้าแต่พระสอนให้โยมทําบุญจมก็จะไม่ถูกต้มกันแล้วก็จะไม่กล้าต้มกันเมืองไทยเมืองพุทธตั้มรวยต่างประเทศมาผู้ต้มเขาแท็กี่มาไปส่งถึงโรงแรมให้หน่อยโรงแรมอยู่ตรงนี้นะ ไปจากถวงม้วนบนก็จิกลับมาเอาทําไมนานแท้แต่แท้ต้มเขาเราเห็นไหมไว้หลังก็เขาใส่อีกมาอี ก, อกเห็นด้วยหลือหาวิธีโคดกองเขาหลือสวยงามคือกันนะหาวิธีค้มขืนเขาแยบนานใจกันเขาไอ้พึ่งล้มโพลมไส่พระพุทธศาสนาเมืองไทยเมืองพุทธเมืองพุทธเมืองพุทธน่าละอายไหมล่ะโกหกพกลมปิ้นป้อนหลอกลวงเรื่องปิ้นป้อนหลอกลวงกันเก่งที่สุดประเทศเราน่าอายไหม ไม่ใช่ตําหนินะพูดตําลักเหี่ผลนะมันน่าอยู่ที่สุดคือประเทศไทยนะถ้าพูดตํารักธรรมชาตินะที่อยู่ที่เที่ยวที่ไปที่มาที่อยู่ที่กินที่อะไรไปได้ตลอดวันแต่ทางฝรนิมันหาไปไม่ได้ <c oughs> เห็นไหยถ้าหยุดเขาก็หยุดอยู่บ้านแต่ประเทศไทยหยุดแล้วไปหนเที่ยวเรีนใส่เงินใส่เท่าเดี๋ยวขออีกแล้วค่าคนเท่าคนแจกก็ขออีกแล้วค่าแรงงานก็ขออีกแล้วถ้าคนจนก็ขออีกแล้วให้ตงไปมีแต่คนคิดเกียรติ ถ้าให้ถูกต้องคือหาที่ดินให้ผันน้าให้ไปใช่ทําไร่ทํานาประเทศไทยไม่ค่อยขี้เกียดนะถ้ามันสะดวกอย่างนี้โดยเฉพาะทางอีสานล่ะมีแต่จังเดียวเอยแรงแ่งจะนอ้อแรงน่ะผันทําไม เ, เงียบไปล่ะอิสานเขียวอีสานเขียวทำไมเงียบไปล่ะพูดได้แต่หลวงปู่ให้ทําอีสานเขียวให้ทำอิสานเขียวเอาท่อบางใหญ่ใส่มาจากประเทศลาวตึกแม่น้ำโขง ผ, ผันมาตรงไหนเอาขึ้นมา พ่อปองใจเดินได้ภายในพ่อจะเสียงบประมาณเท่าไหร่ ไ, ไปกินไปเล่นงบประมาณหนึ่งพันทครึ่งเดียวทําถนนหนึ่งแสนทาครึ่งเดียวพังแล้วเพราะอะไรล่ะเพราะมีอคติอยู่ในใจใครมีใหญ่เป็นใหญ่เป็นตัวเรีบก่อยกอบโกยเอาเรีบอกอกยเอาใครเป็นนี่เดี๋ยวครับรัฐบาลช่วงหน้าเขามาใส่นี่ให้ ขอฝากไว้นะทำบุญต้องททุกวันสูรลมหายใจเขาออกก่อนหลับก่อนนอนไม่ต้องทําวันละสิบชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงหรอกอย่างน้อยที่สุดหนึ่งนาทีวันหนึ่งหนึ่งนาทีทําให้ได้ดตีกิเลสให้มันตายซะดูจากมันกิเลสตัวขี้เกียจฆ่าไม่บาปคือค่ากิเลสไม่ใช่เมียดนะ่ปัญญานะ่ะทำบ็ได้มึงแคกินเขาเรื่องนี้ นั่ น, นปะปัญญาฆ่ากิเลสไปถ้าเราเคยเห็นนะจึงจะกล้าฆ่ากิเลสถ้าไม่เคยเห็นความสุขก็ไม่กล้าละเสี <S <S ดยดายกิเลสเพราะแหวนนะก็ผัด ว, วันประกันพรุ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอาหารใจไห้ห่ําไดนก็ได้ไม่ได้ซื้อว่าได้ไหมน <S <S ั่นมันบอกอาหารกายมึงรู้นี่รง ม, มีผู้เว้นบอกว่าธาตหนาถันหนึ่งไปจิ้มเขาวว่าบอกบอกยำไหนเหนียวแล้วเพท่านบอกตำลุงเตี้ยเกือกเหมือนก้อนผ้ะ นันั่นแหละอาหารกายชอบเป็นยังไงนะอาหารใจไม่ได้ซื้อไม่อยากดูนะใจเราตายไม่เกินจึงได้จะมะขุนอพปานจังมีนะไม่ใช่ไม่มีมีจริงนะเราไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นก็เลยไม่เชื่ออยากรูอยากดู้ยากเห็นก็นั่งไปดูวันหนึ่งหนึ่งนาทีเห็นแหละหนึ่งมาทีเห็นสวรรค์นี่เราไม่เคยดูสวรรค์เลยไม่รู้ว่า เราอยู่ด้วยอะไรเราอยู่ด้วยนรกเราอยู่ในนรกคือลําด้วยนั่นนะ่ะนางมโนโล า, าธาตุสีโทนตามนางมโนลามโนโคือใจไปเจอนางมโนลาอยู่ที่ไหนหาเจ็ปีเจ็ดเดือนเ็ดวันไปเจออยู่ที่เมืองภูเงินใจของคนอยู่เพิงพูเงินใช่ไหมใช่<ไ>นั่นนั่นแหะมโนคือใจมโนผูนฟังกรรมาิทธามโนมาจาเอาของมาวางทักทุกสุขุนให้ก่อดจะตายแล้ว นี่อย่างนี้จะมอง I'm a u t